คุณกําลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 MHz สถานสุขภาพความงามบูทสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยราชมงคลทัญบุรีให้บริการส่งเสริมดูแลสุขภาพความงามด้วยประจันจากธรรมชาติทรีตเมนต์ทุกส่วนของร่างกาย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 ด้วยทีมงานมืออาชีพราคาย่อมยาวปลอดภัยได้มาตรฐานการันตีคุณภาพเชิญที่วิทยาลัยการแพทย์แผ่นไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร 02 592 1999 สถานพยาบาลการแพทย์แผ่นไทยประยุกต์ศูนย์รังสีโดยวิทยาลัยการแพทย์แผ่นไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี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 ศูนย์วิจัยพลังงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะครับเข้าสู่รายการ Energy Saving ทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคลทัญบุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตนะครับเจอกันในช่วงเวลานี้นะครับก็มีเรื่องราวข่าวสารนะครับแล้วก็ ความรู้ต่างๆในด้านของพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกแล้วก็พลังงานสะอาดเนื่องกันในช่วงเวลานี้ครับพบกับผมปิยะพงษ์เคนวายรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับพร้อมด้วยกับท่านวิทยากรของเรานะฮะที่จะมาคอยแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็แนะนําในเรื่องของวงวิชาการต่างๆแล้วก็ประสบการณ์จากการที่ได้วิจัยในด้านของพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกพลังสะอาดเนี่ยให้สู่ชุมชนต่างๆเกิดขึ้นมาอย่างมากมาย ซึ่งวันนี้ยังอยู่กับเราเช่นเคยนะครับต้อนรับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัชชัยโรณรินทร์อาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอัญบูรีและท่านเป็นนายกสมาคมพลังงานทดแทนศูนย์จุดตนเองประเทศไทยต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโตสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกคนครับผมครับครับผมเชื่อกันได้สบายอีกครั้งนึงนะครับสัปดาห์ที่แล้วผมเปิดประเด็นกันว่า นะตอนนี้กระแสเรื่องของการสนใจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกพลังงานสาธารณพลังงานทดแทนเอ่อในช่วงก่อนหน้านี้ก็มีความสนใจหลายหลายตือเองหลายกลุ่มเองก็อื่นตัวพอสมควรมาในยุคนี้ในส่วนหนึ่งเองทางภาครัฐมีการอ่าเล็งเห็นนโยบายบางอย่างออกมาเพื่อตั้งเป้าว่าอ่าน่าจะมีอะไรสักอย่างนึงเพื่อที่จะเตรียมการรองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าเกิดขึ้น ซึ่งเราก็ได้คุยอยู่กับผู้ของโรงไฟฟ้าชุมชนซึ่งก็บอกว่าปัจจุบันรัฐบาลเองกําลังหาพื้นที่ต้นแบบนะฮะเพื่อจะให้เกิดขึ้นมามาเป็นต้นแบบอย่างไรแต่ทางก็บอกส่วนนึงว่าทางสมาคมเองเนี่ยก็ก็เดินหน้าในบางส่วนไปแล้วท่านอาจารย์ก็บอกว่าให้เราติดตามอะไรนะครับมีโรงงานอ่าเป็นไฟฟ้าขนาดเล็กที่จ่ายน้ําบังกันหันลมอุ่นโซล่าเซลล์ได้หลายอย่างรู้ไปถึงบางทีเป็นไฮบริดด้วยอันนี้ก็เริ่มต้นมาบางอย่างแล้วอ่าแต่ว่าสิ่งคั่นอย่างนึงฮะ แต่ทําไมเนี่ยตอนนี้หลายท่านบอกว่าติดตามข่าวนี้อยู่แล้วก็มีกระแสออกมาเป็นคันไหนหรือทําไมณตอนนี้รัฐบาลถึงมาเริ่มตื่นตัวอีกครั้งนึงกับการที่จะมีโรงไฟฟ้าชุมชนหาดาลครับก็จริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของโครงการหรือว่าโรงไฟฟ้าชุมชนเนี่ยหรือว่า 1 ตําบล 1 เมกะวัตต์เนี่ยมันเป็นมันเป็นอ่าโครงการที่ทางสมาคมเราเองเนี่ย อ่ากับสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยได้ได้เอ่อทําการวิจัยแล้วคิดทอมที่จะทําต้นแบบเนี้ยมาประมาณเกือบ 5 ปีแล้วนะฮะเกือบ<อ> 5 ปีแล้วที่ที่เราได้เสนอโมเดลนี้นะครับให้กับสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติตั้งแต่อยู่กระทรวงวิทยาศาสตร์ในตอนนั้นนะฮะจนมาถึงตอนนี้สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยก็มาอยู่กระทรวงเดียวกับกระทรวงอ่ากับเอ่อมหาวิทยาลัยแล้วนะครับก็คือเป็นกระทรวงอุดมศึกษาในยุคปัจจุบันนะครับ แต่ประเด็นแต่ประเด็นที่โรงไฟฟ้าชุมชนหรือว่าโรงไฟฟ้าในตำบลหนองแมกหวัดเนี่ยอ่าเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่ยังไม่สามารถจะสร้างได้หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็มันก็มีอยู่หลายภาคส่วนที่ 1 แตแตอาจจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่ยังไม่เฟิร์มหรือยังไม่ราคาของลิเธียมราคาของแบตเตอรี่ที่ยังแพงไปนะครับเป็นในเรื่องของความพร้อมในเรื่องของพื้นที่ นะครับความพร้อมในเรื่องของนักวิจัยนะครับความพร้อมในเรื่องของอ่าเงินนะครับความพร้อมของโมเดลทางธุรกิจซึ่งจริงๆแล้วโมเดลธุรกิจอันเนี้ยนะครับอ่าคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็คือสุวิจัยและประกันด้านพลังงานเนี่ยได้ทําโมเดลในทางธุรกิจอันนี้นะครับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับที่สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือรู้จักกันในนามนะนะนะ INA นะครับ ก็ได้เสนอให้กับกระทรวงพลังงานไปในเมื่อประมาณ 4 ปีที่แล้วเนี่ยตัวโมเดลทั้งธุรกิจแล้วก็ศักยภาพเทคโนโลยีการคัดเลือกเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยได้ศึกษามา 4-5 เทคโนโลยีแล้วเป็นไฮบริดเนี่ยเป็นโพรโพสอลขนาดใหญ่มีโมเดลทางธุรกิจมีตัวของสัดส่วนการลงทุนระหว่างเอกชนระหว่างรัฐระหว่างชุมชนระหว่างอ่าประชาชนในพื้นที่นะครับมีสัดส่วนทําโมเดลไว้แล้วมีต้นแบบแล้วด้วยมีต้นแบบขนาดเล็ก นะครับแล้วเราก็ทําการ MOU นะครับระหว่างมหาวิทยาลัยครับกับสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับประมาณสัก 4 ปีที่แล้วซึ่งคิดว่า MOU ก็ตอนนี้ก็ inactive ไปแล้วก็คือเอ่อหมดอายุไปแล้วนะครับแต่สิ่งอะไรก็แล้วแต่ผลการศึกษากับโมเดลทางธุรกิจแล้วก็รูปแบบของการอ่าพัฒนาตัวโรงพยาบาลชุมชน 1 ตําบล 1 เมกะวัตต์เนี่ยมันได้ proof บางอย่างนะครับแต่ผลการศึกษาออกมาเนี่ยว่ามันทําได้จริง และก็จะเป็นรายได้ของคนในชุมชนจริงนะครับมันได้พรูไปตั้งแต่เสนอตัวโปรโพสอลนะครับให้กับเอ่อตอนนั้นก็น่าจะเสนอให้กับ ผอ. นะครับเอ่อได้พิจารณาหรือพูดง่ายๆว่าให้กระทรวงพลังพลังงานเนี่ยอ่าตัวเล่มโปรโพสอลได้เสนอไปเพราะมีการคัดเลือกพื้นที่อะไรต่างๆตอนนั้นเนี่ยมาไม่ไรก็อ่าเสนอให้ตัวของโมเดลอันเนี้ยณัฐัญกรีหยิบมาไปเลยที่มีด้านมงคลกรุงเทพฯ นะครับก็คือตัวของพื้นที่เนี่ยประมาณอ่า 5 ไร่นะครับมหาวิทยาลัยก็อินคลายก็คือพูดง่ายๆว่าให้ใช้พื้นที่นะครับทางสํานักงานวัตถุกรรมแห่งชาติเองก็จะอ่าโพรไวดิ้งตัวของแล้วประมาณส่วนหนึ่งมาให้กับมหาวิทยาลัยแล้วก็เสนองบประมาณไปที่กระทรวงพลังงานส่วนหนึ่งมาซับซิดายเพื่อจะทําต้นแบบจริงนะครับทําต้นแบบจริงของโรงไฟฟ้าไฮบริด 4 4 ระบบนะครับก็คือมีไบโอแก๊สมีไบโอแมส มีทั้งลมมีโซล่าเซลล์แล้วก็มหาวิทยาลัยก็ใช้ไฟผลิตแล้วก็ใช้ในในในมหาวิทยาลัยนะเพื่อจะดูว่าในเรื่องของการควบคุมในเรื่องของการวางจัดการเบื้องต้นในเรื่องของการวางจัดการเรื่องของมิเตอร์ไฟอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้นําเสนอไปนะครับไอ้โครงการเนี่ยใน <_ S 1> 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยความสําคัญความจําเป็นเร่งด่วนที่จะอ่าต้องมีโรงพยาบาลชุมชนหรือว่ามีโรงพยาบาลที่ อ่าชุมชนมีรายได้มีส่วนร่วมเนี่ยมันยังยังไม่ยังไม่เต็มที่นะครับต้องบอกตรงๆว่ายังไม่เต็มที่เนื่องจากว่าก็จะยังมีไฟฟ้าเหลือพออยู่นะครับอ่าหรือว่าโรงไฟฟ้าฟอสซิลเนี่ยก็ยังเหลืออยู่แล้วก็มีการบริจาคจากต่างประเทศเข้ามาอยู่ก็ก็คิดว่าน่าจะไม่ไม่จําเป็นต้องเร่งด่วนที่ต้องสร้างนะครับไม่จําเป็นต้องเร่งด่วนที่จะสร้างเมื่อ 5 ปีที่แล้วก็ชะลอโครงการไปนะครับก็ได้เฉพาะเล่ม อ่าศึกษานะครับซึ่งก็ใช้งบประมาณ 3-4 ล้านในการศึกษาเทคโนโลยีสำรวจพื้นที่ต้นแบบอะไรต่างๆเขียนแบบโครงสร้างโยธาไฟฟ้าเครื่องกลไปหมดแล้วแต่พอมาถึงประเด็นอ่าในยุคปัจจุบันนะครับถ้าเราย้อนเวลาไป 5 ปีที่แล้วนะครับที่เราเสนอ พปท. แล้ว approve ตัวของอ่าโมเดลไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย 5 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อ 5 ปีที่แล้วก็มีแค่ อ่ากระแสของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถเก๋งหรือรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยก็เกิดขึ้นปะปายนะครับมาแล้วหายไปบ้างอ่ะมีคนมาใช้นะครับแม้กระทั่งทางฝ่ายวิจัยพัฒนางานเราเองก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาใช้งานก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะครับใช้ไปยางรั่วแบตหมดไปเติมที่ไหนก็ก็ศึกษากันมานะครับคนอ่าในกระทรวงเอยหรือว่าหน่วยงานของรัฐหลายๆที่ก็เริ่มหัดหัดใช้หัดใช้ อ่ารถยนต์ไฟฟ้านะครับหรือว่า EV นะครับที่เราเรียกกันในภาษาอังกฤษว่ารถ EV รถ EV เนี่ย Electric Vehicle เนี่ยก็ก็ก็ก็ได้ผลในระดับหนึ่งนะครับถ้าท่านผู้ฟังนึกภาพไปเมื่อ 5 ปีที่แล้วแบตเตอรี่มีราคาแพงมากในตอนนั้นก็ยังคงใช้แบตเตอรี่โกอ่าตะกรอดกว่ากันบ้างนะครับใช้บิตไซเคิลใช้อะไรต่างๆบ้างเพราะลิเธียมนะครับไอออนหรือว่าลิเธียมฟอสเฟตอะไรก็ยังมีราคา ที่ค่อนข้างจะจะแพงนะครับแล้วก็ยังไม่มีแนวทางที่จะผลิตในประเทศหรือว่าใครจะมาตั้งโรงงานอะไรต่างๆในประเทศเนี่ยก็ก็น้อยแต่ปีนี้นะครับปีนี้ซึ่งเป็นรัฐบาลของท่านประดิษฐ์วย 2 เนี่ยปีนี้จะเห็นได้ว่าเทรนด์ของโลกเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นในเรื่องของการศึกษาแล้วไม่ใช่จีบแล้วรถยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับตอนนี้ที่ไม่ใช่ได้โฆษณานะฮะก็ แม้แต่ทั้งบริษัท EA Energy สรุปนะครับก็จะตั้งโรงงานผลิตลิเธียมอ่าพลังงานโดยสุทธินะครับตั้งโรงไฟฟ้าอ่าตั้งไลน์การผลิตตัวของแบตเตอรี่ลิเธียมในประเทศผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศนะครับหรือแม้กระทั่งที่โฆษณากันตอนเนี้ยค่ะ MG นะอย่างเงี้ยนะครับก็อ่ากลุ่มทุนขนาดใหญ่เนี่ยก็ใช้ศักยภาพทางแม่นเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเนี่ยนะครับผลิตนะครับรับสั่งจอง ยานยนต์ไฟฟ้านะครับมีการเปิดประเด็นในเรื่องของการทําชาร์จจิ้งสเตชั่นหรือว่าจุดจุดอ่าชาร์จไฟแบบพริกชาร์จนะครับพริกชาร์จ 20 นาที 15 นาที 30 นาทีเต็มกาแฟ 2 ถ้วยนะครับกินเสร็จเอ่อเดินทางได้ต่อหรือว่ากาแฟยังไม่พอหมดแก้วเลยนะครับอ้าวแบตเต็มแล้วที่พริกชาร์จนะครับมีการสั่งจองรถยนต์ไฟฟ้าเกิดขึ้น นะครับมีการใช้งานนะครับในตัวเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เรารู้จักกันเทสลาเอเอิร์นเอ่ยอะไรต่างๆก็มีวิ่งอยู่ในกรุงเทพฯในเมืองใหญ่ๆหลายร้อยคันหลายพันคันแต่มันไม่ใกล้เคียงเท่ากับการเปิดตัวนะครับของการผลิตแบตเตอรี่ในประเทศลิเธียมและผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศนะครับถึงแม้จะเป็นการลงทุนจากต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่ร่วมกับคนไทยก็แล้วแต่ การเปิดตัวให้สั่งจองยานยนต์ไฟฟ้านะครับยอดมันพล่มทลายนะครับยอดมันไปไปได้เลยความมั่นใจของคนใช้เมื่อ 5 ปีที่แล้วว่าจะไปเติมไฟฟ้าที่ไหนวิ่งไป 100 กิโล 200 กิโลถ้าน้ํามันเนี่ยมีทุก 5 กิโลนะครับทุก 3 กิโลแต่ตัวชาร์จจิ้งเนี่ยมันไปเติมที่ไหนวิ่งได้ 300 กิโล ยังไม่ทันถึงชุมพรเลยฮะถ้าพูดลงใต้นะครับเอ่อไปถึงยังไม่ถึงเอ่อเชียงใหม่เลยนะครับจะหาที่ชาร์จที่ไหนคําถามพวกเนี้ยนะครับ 5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นคําถามที่วนไปวนมาของผู้บริโภคนะครับชุมชนต่างๆนะครับรถจะไปจอดแล้วไปชาร์จที่ไหนอะไรต่างๆมันเป็นปัญหาที่แบบโกกินหางนะครับแต่พอมาถึงตอนนี้คําถามพวกนี้ฮะนะครับมันเป็นคําถามที่ล้าสมัยแล้ว น่ะเป็นคำถามที่ล้าสมัยแล้วถ้าใครมาพูดถึงว่าแต่ละซื้อรถยนต์ไฟฟ้านะครับเอ่อเลือกจะไปชาร์จไฟที่ไหนเนี่ยมันเป็นคําถามที่ล้าสมัยแล้วเพราะกําลังจะตั้งชาร์จเค้าเรียกว่าตั้งชาร์จสเตชั่นเนี่ยทั่วหัวมุมเมืองแล้วตอนนี้นะครับทั่วหัวมุมเมืองอัตราการผลิตชาร์จจิ้งสเตชั่นเนี่ยคือทะล่มทลายครับนะครับคือจุดที่จะตั้งในตอนนี้เนี่ยก็ อัปเดตกันเยอะแยะนะครับมีการร่วมมือกันนะครับระหว่างหลายๆองค์กรอาจารย์ก็ไม่อยากจะเป็นการฝึกโฆษณานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในชาร์จจิ้งสเตชั่นของ yeah, MG ของอะไรต่างๆของรถยนต์นะครับทุกยี่ห้อที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเค้าจับมือกับทุกๆที่เพื่อให้ตัวเองเนี่ยเป็นส่วนแบ่งการตลาดในการมีหัวชาร์จบางบริษัทไม่ทํารถยานยนต์ไฟฟ้าก็ผลิตเฉพาะตัวชาร์จอย่างเดียวก็เยอะแยะไปหมดเลยปัญหามันคืออะไรครับ <โ อ. S 1> คำถามเดิมที่เคยถามว่าจะไปชาร์จที่ไหนมันกลับกลายเป็นว่าตอนเนี้ยจะชาร์จหัวของใครแล้วใช้รถคันไหนครับมันมันแปลมันปรับเลยมันปรับเลยว่าจะจะไม่มีสายชาร์จยังไม่รู้นะฮะตอนนี้ยังไม่พูดถึงนะแต่แต่ว่าที่ชาร์จจะมีแน่นอนแล้วคนเลยสั่งจองรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับอาทิตย์เอ่อ 2 อาทิตย์นะครับเป็นหลายหมื่นคันอ่าในปีหน้า <ถ าม. S 1> อะจะมียานยนต์ไฟฟ้าหรือเรียกว่า EV เนี่ยเพียวนะฮะไม่มีน้ํามันเลยนะไม่มีน้ํามันไม่ใช่ไฮบริดอย่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นไฮบริดครับค่ายใหญ่ๆหลายที่ก็จะใช้ทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ทั้งแบตเตอรี่แต่ที่จะออกมาเนี่ยที่ทนสั่งจองแล้วเป็นแสนๆคันเนี่ยมันเป็นเพียวลิเธียมเป็นยานยนต์ไฟฟ้า 100% ไม่มีไม่มีเครื่องยนต์เลย แลกคนก็ไม่ถามด้วยว่าจะชาร์จที่ไหนนะตอนนี้คือความมั่นใจเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเพราะยับใหญ่ลงเองประเด็นมันคือย้อนกลับมาคําถามเดิมไม่ถามฮะคําถามใหม่ไฟฟ้าพอหรือยังไฟฟ้าของประเทศเนี่ยพอหรือยังไอ้ท่านผู้ฟังนะครับหรือว่าโฟโต้เนี่ยนึกภาพสมมุติรถยนต์ไฟฟ้าคันนึงเนี่ยอาจใช้ตัวมอเตอร์คัน มันไม่ต้องขนาดใหญ่อ่ะโดยทั่วๆไปก็ประมาณสัก 30 กิโลวัตต์นะท่านผู้ฟังได้ภาพคําว่า 30 กิโลวัตต์นะรถยนต์ไฟฟ้าคันนึงอ่ะมีมีมอเตอร์ขนาด 30 กิโลวัตต์สถานีชาร์จที่ 1 ก็ใช้ไฟประมาณสัก 2-300 แอมป์นะครับไม่ต้องมีมากครับในรถยนต์ไฟฟ้าตอนเนี้ยวิ่งสัก 500,000 คันเนี่ยอือครับอาจารย์ว่าเสียบหลักปลอมการตอนเนี้ย ดับครับไฟดับหรือไม่ดับก็เค้าเพิ่มถึงขนาดว่าปลายสายประชาชนที่อยู่ปลายสายเนี่ยอาจจะไม่มีไฟครบ 220 โวลต์นะถ้าเป็นไฟแรงต่ําที่ใช้ในบ้านเนี่ยอาจจะเหลือ 150 โวลต์ก็ได้ที่เลวหลายเพราะอะไรครับเพราะว่าอันโอกาสที่จะเสียบลักพร้อมกันเนี่ยมันมีอยู่แล้วครับทุกคนกลับเข้าบ้าน 4-5:00 น. น, น, นนะครับถ้าไปเสียบที่บ้านเนี่ยยิ่งเป็นปัญหาเลยนะฮะ เอาไปเสียบที่บ้านเนี่ยถึงแม้จะเป็นโซโลชาร์จไม่เป็นฟิกชาร์จก็ยิ่งหนักฮะขณะที่ท้องถนนก็ยังเป็นฟิกชาร์จขณะที่กลับบ้านไปก็เป็นโซโลชาร์จในชุมชนต่างๆจะเกิดอะไรขึ้นครับไฟฟ้าเนี่ยจะตกจะตกอย่างอย่างรวดเร็วนะครับถ้าโรงไฟฟ้าหลักเนี่ยพอมันตกเกินไปฐานสัก 10% 5% ตามลิมิตไซด์ทีเดียวที่ตั้งไว้มันดับเลยนะฮะมันมันไม่ใช่อยู่ๆมันสตาร์ทเหมือนเครื่องยนต์ขึ้นมาได้ มันจะกลายเป็นปัญหาเรื่องของคุณภาพไฟฟ้าเรื่องของไฟฟ้าไม่พอเรื่องของการไฟฟ้าดับนานครับเพราะว่าอะไรครับเพราะไฟฟ้าเนี่ยเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานของประชาชนนะฮะไม่เหมือนน้ํามันนะประชาชนเนี่ยไม่ต้องมีท่อน้ํามันต่อถึงบ้านก็ได้เพราะว่าสาธารณูปโภคพื้นฐานเนี่ยมันได้กําหนดว่าน้ํามันหรือเชื้อเพลิง เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานสาธารณูปโภคในคือไฟฟ้าน้ําไฟอ่าพูดง่ายๆถนนไฟฟ้าน้ําโทรศัพท์อะไรเงี้ยอันนี้คือสาธารณูปโภคพื้นฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บริษัทต่างๆในประเทศที่ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยผมถามว่ามีกองทุนกองทุนไฟฟ้าหรือว่าจะผลิตไฟฟ้าเนี่ยมาเพื่อจําหน่ายให้กับรถของท่านเนี่ยมาเพื่อจําหน่ายไฟฟ้าให้รถของท่านเนี่ย ท่านได้สร้างชาร์จจิ้งสเตชั่นไว้เนี่ยเอาไฟฟ้ามาจากไหนครับชาร์จจิ้งสเตชั่นที่ท่านกําลังสร้างอยู่ทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยเอาไฟฟ้ามาจากไหนเอาไฟฟ้ามาจากสาธารณูปโภคพื้นฐานของประชาชนน่ะจริงมั้ยครับครับนะฮะแล้วไปฟังไม่พลาดอ่ะเพราะว่าไฟฟ้าที่ท่านเอาลงมาเข้าสู่ระบบชาร์จจิ้งสเตชั่นเนี่ยมันเป็นไฟฟ้าของประชาชนทั้งประเทศ เพราะท่านไม่ได้ตั้งโรงไฟฟ้าไม่เหมือนน้ํามันนะฮะไม่เหมือนน้ํามันคือถ้าน้ํามันเนี่ยพอน้ํามันเนี่ยใครมีปั๊มน้ํามันใครเปิดปั๊มนะครับก็เป็นเรื่องของเชื้อเพลิงนะฮะแต่ไฟฟ้าไม่ได้เป็นเชื้อเพลิงไฟฟ้าเป็นในทางของรัฐธรรมนูญหรือว่าในทางกฎหมายเป็นฐานอุปโภคพื้นฐานที่ประชาชนต้องได้มีสิทธิ์ในการได้ใช้ไฟฟ้ามีสิทธิ์ที่จะใช้น้ําประปามีสิทธิ์ที่จะต้องได้ใช้ถนนเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อตั้งชาร์จจิ้งสถานตรงนี้ขึ้นมาเนี่ย โดยที่ท่านเนี่ยไปเกี่ยวไปเกี่ยวหรือว่าไปดึงไฟฟ้ามาจากฐานโทพื้นฐานเนี่ยผมคิดว่าประชาชนที่ไม่ได้ใช้รถไฟยนต์ยานไฟฟ้าหรือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเค้ามีผลกระทบไปด้วยอ่ะไฟฟ้าเค้าดังเค้ามอเตอร์แอร์เค้าอ่าแรงดันไฟฟ้าไม่ถึงนะครับเอ่อความถี่ถ้าไม่ถึง 50 เฮิรตซ์มอเตอร์ก็พังแอร์ก็เสียหลอดไฟก็ขาดผลตายแล้วใครรับผิดชอบตรงนี้คือใครรับผิดชอบครับ อภิเดตเนี่ยรัฐบาลต้องรับผิดชอบเพราะว่าอะไรครับเป็นการปล่อยให้ยานยนต์โดยสารตรงนี้เกิดขึ้นผมสํานวนยานยนต์ไฟฟ้าผมเสนอต่อกรมธุรการสาธารณรัฐแต่ผมก็คิดว่าประชาชนต้องไม่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ากับนี่คือเปิดประเด็นนะถ้าเหมือนนายกสมาคมเปิดประเด็นแต่เป็นการเลือกเปลี่ยนนะครับและเตรียมความพร้อมคือเราอยากจะให้ทุกภาคส่วนมองว่าอ่าเราอยู่ด้วยกัน <Ừ. S 1> นะครับประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งนะครับชุมชนเนี่ยเป็นฟาวเดชั่นหรือว่าเป็นรากฐานที่เข้มแข็งที่ทําให้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยอยู่ได้เพราะฉะนั้นการทําให้รากฐานและระบบสายเนี่ยก็เท่ากับการสกัดกรองประเทศไปได้ไปไปเยอะมากเพราะฉะนั้นลงไปซ้ําชุมชนเนี่ยก็เลยอาจารย์ก็เลยวกกลับมาว่าทําไมรัฐบาลเนี่ยถึงให้ความสําคัญในการรักษาสายสายสายทําไมรัฐบาลถึงให้ความสําคัญว่าต้องเกิดโรงสายชุมชนแล้วนะ ทำไมรถระบาหรือว่าทุกคนเนี่ยกลับมาให้ความสําคัญอีก 1 หนครั้งจากเดิมที่มันเคยคลิกออฟเพราะว่า 1 คําถามว่าจะไปสัตว์ไฟที่ไหนเนี่ยมันหายไปรถไฟฟ้าหรือว่าไอ้ตัวยานยนต์ไฟฟ้ารถจนไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงมั้ยมันถามคําถามนี้มันหายไปเพราะยอดจองของรถมันมาแล้วนะครับมันมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมยังคิดอยู่เลยว่าจะทันมั้ยครับท่านผู้ฟังได้ทราบครับจะทันมั้ยครับ ต่อการที่มีชาร์จจิ้งสเตชั่นทั้งพันพันหมื่นๆจุดแล้วชุมชนเนี่ยไม่มีไฟฟ้าปลายสายรักษาไม่มีสายที่เครือเอ่อสถานเสถียรภาพของไฟฟ้าอยู่ปลายสายที่จะรองรับการชาร์จการใช้ไฟนะครับต้นทางพอตาเข้าหมู่บ้านเนี่ยมีคนไปดักจ๊าบไฟอยู่ไฟฟ้าในหมู่บ้านตกไม่มีไฟฟ้ารักษาปลายสายที่ในหมู่บ้านเข้ามันจะเกิดปัญหาของไฟฟ้า มีรายสถานภาพอย่างนั้นแต่ความโชคดีครับก็คือประเทศไทยเราเนี่ยเราเป็นประเทศตกเกษตรกรรมนะความโชคดีของเราคือเมื่อไฟฟ้าดับที่ปลายสายเนี่ยนะครับประชาชนในในหมู่บ้านในอะไรต่างๆเนี่ยมีทางแก้ไขมีทางปรับเปลี่ยนความพร้อมนะครับแล้วแล้วสิ่งที่สําคัญคือรัฐบาลเนี่ยรู้ปัญหานี้ นะครับผู้ใหญ่ของบ้านเมืองของประเทศและทุกคนทั้งนักวิชาการทั้งหลายต่างๆรู้ประมาณนี้เรากําลังศึกษาและกําลังจะมีต้นแบบไม่รู้ว่าที่ไหนจะเกิดก่อนนะฮะแต่ผมมั่นใจว่าโรงสายชุมชนโรงไฟฟ้าปลายสายโรงพลังงานทดแทนเพื่อเสริมศักยภาพไฟฟ้าปลายสายที่ตกที่บ่อยนะครับจริงๆแล้วมันเคยมันเกิดขึ้นมาเมื่อ 10 ปีที่แล้วนะครับ รู้ไม่ทราบที่ไหนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนไร่ช่างหัวมันท่าหยางเพชรบุรีงั้นเป็นโรงไฟฟ้าไฮบริดรักษาปลายสายพี่แรกของสวิตเอเชียนี่คือพระอาชีภาพวัดพระภาพนะฮะไฟฟ้าที่อําเภอท่าหยางที่ไร่ช่างหัวมันเนี่ยเป็นไฟฟ้าปลายสายเลยครับ เมื่อมีพลังงานทดแทนรักษาปลายสายประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์คือไฟฟ้าบริเวณนั้นมีความเสถียรภาพไม่ตกและไม่ดับบ่อยนี่คือพระอัศจรรย์ภาพของพระกาญจกเจ้าและผมก็คิดว่านะครับในรัชสมัยในยุคปัจจุบันสาธารณชาญนี้นะครับได้พิสูจน์หลายๆอย่างให้เห็นนะครับและผมคิดว่า โรงไฟฟ้าต้นแบบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเมื่อ 10 ปีที่แล้วที่ผมมีโอกาสได้รับใช้นะครับก็คือโรงไฟฟ้าที่ราชจังหวัดมันถ้าอย่างเพชรบุรีให้ท่านผู้ฟังเนี่ยไปดูนะครับนะครับโรงไฟฟ้ารักษาปลายสายเหลือคืนใช้ในโครงการของพระองค์ท่านแล้วก็เหลือคืนขายให้กับการไฟฟ้าเนี่ย<ด> มันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นมาก่อนที่รัฐบาลหรือทุกคนจะเห็นปัญหาด้วยซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นต้นแบบเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นฝากถึงผู้ใหญ่ได้บ้านเมืองนะครับทุกคนไปดูได้นะครับในการที่จะทําให้สายฟ้าใสไม่ตกแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์เพราะฉะนั้นที่นั่นในกรก็จะมีชาร์จจิ้งสเตชั่นนะครับจะมีรถยานยนต์ไฟฟ้าวิ่งเลยโครงการในต่างๆก็ไม่ต้องกลัว นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีไฟฟ้าจากโรงงานทดแทนเสริมปลายสายอยู่แล้วแต่มันไม่เพียงพอหรอกครับสําหรับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นคือรถจนไฟฟ้ากําลังจะเกิดเป็นล้านๆคันไม่พอครับเพราะฉะนั้นโดยสายชุมชนนะครับโรงไฟฟ้าปลายสายโรงไฟฟ้าที่จะต้องรักษาเสถียรภาพปลายสายเนี่ยไม่ใช่คิดเฉพาะค่าไฟในเรื่องการขายไฟคืนนะครับแต่เป็นในเรื่องของคุณภาพไฟฟ้าคุณภาพชีวิตและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์<โ> ของชุมชนนาบหญ้านะครับโมเดลธุรกิจนี้นะครับขอได้ที่สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIDA นะครับที่ได้ทําการศึกษาไว้ร่วมกับมหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมกับทีมงานนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อทางโซโตเองทางท่านผู้ฟังเองเนี่ยอาจจะอ่ามองภาพว่าทําไมพูดกันบ่อย 1 ตําบล 1 ไม่ก่อนโลทรัพธ์รายงานตั้งแต่ทําไมไม่เกิดจริงๆแล้วเนี่ยครับมันเกิดมาแล้วแต่มันไม่ถึง 1 เมกะวัตต์เท่านั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าโอเคตอนนี้เนี่ยเราคงต้องขั้นสิ่งแล้วนะครับแต่จะเร็วทันต่อการใช้หรือไม่ตรงนี้ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการและการวางแผนที่ดีครับผมครับกราบผมอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงกันให้เห็นภาพนะฮะว่าทําไมถึงต้องมีโรงไฟฟ้าชุมชนที่จะต้องเกิดขึ้นในตอนนี้จะบอกว่าครับชุมชนอาจจะมองว่าทําไมต้องเป็นภาระของเราจ่ายเงินแล้วแต่เนี่ยครับเพื่อที่จะให้ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในชุมชนของเราสามารถขับเคลื่อนดําเนินการใช้ตามความประสงค์การตอบสนองความต้องการของชุมชนกันได้อยู่และอีกอย่างนึงคือเพื่อแก้ปัญหาหลังจากที่กรณีที่จะมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ EV เนี่ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มมากขึ้นด้วยก็ต้องหาทางเลือกหาทางแก้ไขกันต่อไปแต่ว่านี่จะเป็นทางออกหนึ่งที่สําคัญถ้าชุมชนและชุมชนถักนั้นร่วมมือกัน พลังงานศึกษาก็จะไม่ขาดแคลนแน่นอนนะครับตอนหน้าเดี๋ยวเรามาตามกันอีกครั้งนึงโดยมีถึงผลการงานที่เราจะเสวนาการอาการ 31 นี้จะมีเสวนาการ 11 สิงหาคมครับที่ราชมงคลนครปฐมจะเป็นช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายครับผมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ราชการครับผมเอ่อฝากท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมติดตามก็สามารถอ่าเข้ามารับฟังอ่าการเสวนากันได้หรือจะรอผลจากการเสวนาครั้งนี้ จะเป็นอย่างรายการก็สามารถติดตามได้ในรายการของเราวันนี้หมดเวลาแล้วฮะขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัชชัยอนรินทร์อาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและนายกสมาคมพลังงานทดแทนศูนย์เหนือแห่งประเทศไทยวันนี้ขอบคุณใจเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและอาจารย์ที่น่าครับผมสวัสดีครับ ครับผมนี่ก็ได้หมดของ Energy Saving นะฮะทาง FM 835 วิทยุราชมงคลทัญบุรีกลับมาเจอกันในคล้ายต่อไปในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมมีภารกิจในงานพร้อมทีมงานต้องบอกลากันไปก่อนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ Energy Saving สนับสนุนรายการโดยศูนย์วิจัยพลังงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีครับ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 RMUTT Radio